ได้รับโอกาสนะครับจาก CP นะครับให้เข้ามาร่วมในโครงการเชฟแคร e นะครับเพื่อที่จะได้ทำอาหารอร่อยๆอให้กับครากรทางการแพทย์และพยาบาลครับ